เรื่องบวชแทนพระคุณโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย โ, โมตสาภคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธัาสนโมตสาภคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธาาามมัาสนโมตสา พวะวขาวโตหาระหะโตสัมมาสัมพุทธาอภิเจตามาธาญาณนาคาโรโอปริภัจเจอันยังวิหิงสยังโรเกอภะเพรเชนตังวะรังทัมโมสกจังโสตโพตี ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ต่างหลายเมื่อปรินิผ่านนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียนกล้า <c oughs> ขอคำหนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบแห่งจิตความพาสทุกประการ จะบางเกิดดีแต่ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาความงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้ทงหลายโดยทั่วการทุกท่านทุกคนในะโอกาสนี้เชวงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวทำมิกระทาถ้อยคําอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคําสัง่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้ว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 ประเพณีนี้ได้อย่างลากฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจของคนไทยเรามาอย่างยาวนานและก็เข้มข้นึ่งก่อกำลังจะเจอจางลงในขณะนี้กำลังจะเปลี่ยนทิศทางไปกับยุคเทคโนโลยียุคไฮเทคยุคที่เราเรียกกันวันนิก์นิกนี่ยุคนี้กำลังเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของการบวชก่อนเข้าพรรษาบวชก่อนแต่งงานบวชก่อนปฏิ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 ก็เป็นพระราชประเพณีมาเป็นเวลานา น, านตว่าตอนที่จะเสวยของที่จะขอราชสมบัติจะต้องบวชเพื่อฝึกฝนจิตให้สมถมั่นคงนึ่องจาว่าความทุกข์ของแผ่นดินคือความทุกข์ของพระราชาจักต้องบวชทำธถรมธรมิมี้เชนนั้นแล้วจิตใจจะได้รับความทุกข์ทนมนมองเกี่ยวกับการงานบริหารงานแผ่นดิน เพราะไม่มีอ่าเครื่องมือที่จะทําให้จิตใจได้พบกับความสุขได้มันมันมันอํานวยต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้นในชีวิตให้พบกับความ ร, อรอ้อนเป็นเอย่างนั้นว่เพราะเหตุ น, นั้นการเป็นพระราชาในสมัยโบราณของประเทศไทยนี่จึงจะต้องมีการบวชก่อนไม่แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราองค์ปัจจุบัน พระองค์ก็ได้ออกบวชเหมือนกันแม้แต่พระบรมโอรสาธิราชเนี่ยทางก่อได้บวชทา่ทานที่ยังไม่ได้ครองราชทัณฑ์ท่านก็บวชเป็นการเตรียมฝึกจิตฝึกใจเพราะฉะนั้นต่อเพนในการบวชนี่ยสําคัญมากเลยคนโบราณจึงถือบวชก่อนแต่งงานบวชก่อนทํางานทําการบวชก่อนรับราชการ <c oughs> บวชก่อนจะมีย่อมีเรื่อน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 ไม่ไ ม, ไม่ไม่ย้อนกลับเขินมาอีกเลยดังในเรื่องราปากฏในพระเตยปิดดกอกเราจะเห็นอยู่บ่อยๆอย่างพระพัตทิยะท่านก็ออกบวชกับเพื่อนหกคนพัตทิยะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วนะเป็นพระเจ้าแผ่นดินพอออกบวชแล้วทำความพียันบรรุความเป็นพระอรหัน นั่งอยู่ตรงไห น, นทา่านกบนอูทานพูกง่ายๆว่าอุทานมาว่าโศกเนาโศกเนอโศกเนาะเอพระทั้งหลายได้ฟังก็แปลกใจท่านนั่งอยู่คนเดียวท่านก็พูดก็เลยพากันคิดว่าเอ๊ชะชลอยบุรุษนี่จะเป็นมมฆบุรุษจะเป็นโจรในพระศาสนานีา้สระมังคือมาลักบวชนี้ความรับผิดชอบขี้เกียจเป็นคนขี้เกียจหลังยาวมาบวชแล้วก็ได้อยู่ ได้กินดีอยู่ดีแล้วก็เลยพบความสกเพียงแค่นี้ก็เลยบ่นออกมาโ อ, อทานออกมาโมรุนนี้น่าจะเป็นอย่างนี้ก็ไปฟ้องพระสาตดามพระพุทธเจ้าเรียกเขาพบในธรรมกางสงแล้วก็ถามดูกางศึกษาเธอเป็นอย่างนั้นจริงหรือกระบาว่าจริงทําไมจึงเป็นอย่างนั้นแต่นี้คนอื่นเขาต้องสัยว่าเธอเป็นโจรในศาสนาคือลักเข้ามาบวชนี้จากความรับผิดชอบ แต่เป็นคนขี้เกียจมาบวชฉันเช้าเอนฉันเพลนอนแล้วก็เลยสุกหนอจริงหรือไม่ <c oughs> ถ้านก็เลยบอกว่าตั้งแต่ก่อนผมเป็นพระราชานะครับผมไม่ใช่เป็นคนทุกข์ยากลาบากปกครองแผ่นดินแต่ในความเป็นพระราชานั้นแม้จะอยู่ในพระบ ร, รมมหารชาชวังแม้จะมีคนเอาอกเอาใจอยู่เย็นเป็นสกุกมีคนคอย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 แต่ถึงขนาดนั้นก็ยังบาดวันในพระราชหไทยัยกลัวสามันตราต่างนครก็ยุหะแสนยากรยกมาช่วงชิงพระราชอำนาจจีเจม่ไม่ได้เป็นศกเหมือนอย่างนี้ถ้าบรกว่าอยู่นี่งาต้นเดียวก็ไม่มีเราออกบวชซะแล้วมีการรดสึกจะหนักหน่วงต่อเพียงใดมีเพียงบาทและจีวรเหมือนนกบินไปในท้องฟ้าเหมือนปลาว่ายไปในสายชนจะไปที่ไหนก็ได้ จะบินไปสู่ที่สาขาใดๆก็ได้มีความสุขใจไม่ห่วงหาอะไรอาวรณ์ห่วงหน้ากังวลลังเนี่ยู้อย่างนี้เพเห็นนั่นค่ะพระองค์ก็เลยมีความสุขมากเลยยิ่งกว่าความเป็นพระราชาะเหมือนกับพระบาลีที่ตั้งขึ้นเมื่อกี้นี่อัญเชิญมาเป็นภาษาบาลีเบื้องต้นเป็นนิเค ป, ป, ปาปวะอปิเจปตมาทายานาคาโรโอปริปรเช อันยังวิหิงสยยงโลเกอภิรัชเชนะตังวรังแปลว่าแม้จะออกปวดถือปุ่มบาดดินที่เอาขอทานเขากินเลี้ยงชีพแต่เป็นอยู่อย่างปราศจากการเบียดเบียนชีวิตยอย่างนี้ประเสริฐ ก, กว่าความเป็นพระราชาในโลกอภิเจปัตรมท า, ายะอนาคโรปิริรชเชไม่จะออกจากเรือน บวชเที่ยวอุ้มบาทดินขอทานกิจเรียชีพอันยังวิหิงสยังไม่มีการเบียดเบียนผู้ใดลโลเกอปิรเชนตังวรังประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาในโลกนี่อั น, นิสง์ไปไกลามากแต่ยังไงยังไงก็ตามถ้าหากยังไม่ทราบซึ่งถึงคุณค่าอันนี้เขายังไม่ทราบซึ่งถึงคุณค่าของจิตใจความเป็นอิสระภาพความว่างความปล่อยวาง ก็จะมีความทุกข์บวชอยู่ก็เป็นโลกประสาทได้อีกเหมือนกันเพราะเต็มไปด้วยความอยากได้อยางฟีอยากไปเห็นไม่มีการขวนขวายกิดการแห่งความสงบรางับทางจิตฝึกฝนสมาธิภาวนาสมาะวิปัสสนาไม่ทำนอกจกไม่ทำแล้วไม่พูดถึงอีกเลยอย่างนี้ก่อนหน้าเป็นห่วงอีกเหมือนกันว่าจะจะพบความสุกหรือไม่อย่างแกงก็สุ กอไก่ซออุสุสุกอสุกสุกจนเผาสุกจนไหมสุกไปตามภาษาของกิเลสในอยู่ดีกินดีวันไหนไม่ได้ดังนั่นก็มีความคุณเคืองปฏิฆะเป็นทุกข์ดุแวงนั้นเพราะเห็นนั่นเราทั้งหลายวันนี้เราจะพูดทั้งการบวชแทนพระคุณก็เลยเตลอดเปิดเปิงมาถึงการการบูหด ของพระราชาในสมัยโบราณสมัยพุทธกาลและจนถึงประเทศไทยเราจนมีกฎหมายในสมัยกรุงศรียุธยาคนไทยเราถือการมาแต่พ่อแต่แม่พุทธศาสนาได้อย่างลากฟังึกสูแผรนดินนี้ท่ามกลางแกกลางสุวรรณภูมิเป็นเวลาสองพันกว่าปีมาแล้วไม่ใช่วันสองวันไม่ใช่พันปีเป็นสอง0ันกว่าปียิ่งในผ่าอีสานของเราสกล น, นคร น, ค ร, นครพนมนี่ตัวอย่าง สัญญากษณ์ศักสีศักขียพยานพระธาตุพนมพระธาตุเชิงชุมเหล่าเนี้เป็นเครื่องบ่งบอกว่ามีความเกี่ยวพันุ์ในวิถีชีวิตของพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลแต่ดูหัวอกพระสัตราได้รวมอยู่ตรงนี้เลกุกุสันทโกนากรรมมะ ก, กรสปารอยพระบาทตั้งแต่รอยเท้าถึกกระโดกหัวอกได้มารวมสมกันอยู่บนแผ่นดินภูกำพาแผ่นดินภูน้ำรอดเมืองสกลนครนครพนมนี้ เพราะเหตุนั้นก็เป็นอันวอมมั่นใจได้เลยพุทธศาสนาได้อย่างลากในนี่มานานแล้วฝานเมืองของเราอยู่เย็นเป็นสุขด้วยอำนาจแห่งศิลปแห่งธรรมโดยเราไม่รู้สึกตัวแต่มาสมัยนี้กำลังแก้ปัญหา ก, กันทางวัตถุโถกำลังเข้าสู่ความเป็นนิคจิตใจของคนกำลังห่างเหินจากศิ้ปจากธรรมจิตใจไม่มีที่พึ่งพาอาศัย ว, ว้าเหวอ้างวางจิตใจ เป็นอย่างนั้นทางร่างกายขับขั้งรังไรแต่จิตใจอ้างว้างว้าเหวเดียวดายมีแต่มนุษย์อันตรายไว้ใจกันไม่ได้เพราะคนใหม่มีศีลใหม่มีธรรมนั่งหนา้าเข้าแม้แต่ตัวเองก็ไม่มั่นใจสถานภาพของชีวิตที่เป็นเป็ๆอยู่ไม่ต้องการถึงตายแล้วเป็นเป็นอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงมีโอกาสจะโกงก็จะโกงมีโอกาสจะเอาก็จะเอาคนอื่นเขาจะทําเราก่อนเราจะต้องทําอย่างนั้นความคิดมันเป็นอย่างนี้มันขึ้นสมองไปหมดเลยความเห็นแก่ตัว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 ตกนาโกติดแอตกนรกบนสวรรค์เหมือนเทวดาในเรื่องอุณาสตาวิชัยนั้นนะอา้าวเราก็ไปกัไกลขนาดนั้นเพราะเราจะพูดถึงเรื่องการบวชแทนพระคุณการบวชแทนพระคุณพ่อแม่นั้นในที่สุดมันก็จะมาตกเป็นพระคุณเป็นอานิสงฆ์ให้แก่ตัวเราอีกเหมือนกันเพราะงั้นคนโบราณจึงมั่นใจเหลือเกิน ปาธนาหรืเกินจะให้ลูกให้เต่าวบวชแทนพระคุณในนัน้นนี้ก็น่าจะบวชแล้วบางคนก็ตั้งใจจะบวชบางคนก็ไม่อยากบวชแต่เดี๋ยวนี้มันก็เกิดมีโรคใหม่ขึ้นมาพ่อแม่สมัยใหม่มองไม่เห็นว่าลูกจะบวชแทนพักุณได้มีเป็นจำนวนมากแล้ววันก่อนอาดามาไปกรุงเทพเพอกรุงเทพและหน้านนี่คนกรุงเทพว่ายังบวชคนหนุ่มๆจบวิศวะมาแล้วจบปริญญามาแล้วก็เตรียมบวชบวช และจะศึกไปทำงานบางคนก็บอกว่าสมัครงานสอบอะไรผ่านได้แล้วยังเวลาจะทำงานก็ขอลาบวชบางคนก็กำลังเรียนอยู่เมืองนอกทำปริญญาอยู่อเมริกาอยู่ไหนหนู่นกลับมาบ้าขอบวชบางคนทำงานแล้วก็ลาบวชแต่ก็มีข้อแม่ว่าบวชแล้วจะสึกสิบห้าวันบ้างหนึ่งเดือนบ้างพันบงั 1, 3, บงที่นี้มีบางรายหลายร า, ายเลยทีเดียวแม่พ่อมาเฝ้าอ่อนบ อ, นอยู่ใกล้ ว่าเมื่อไหรแกจะศึกบอกได้ไหมลูกบอกยังไม่ได้บวชบอกไม่ได้ไปจะศึกเมื่อไหรเอาไว้พูดทีหลังมีบางลายทั้งกับรุนแรงมามาด่าเลยว่าเมื่อไรมึงแกสึกถ้ามึงไม่ศึกแล้ะมึงระวังให้ดีกูจะมาด่าเชาวด่าเย็นไปในกุฏินี่ดูเนี่เป็นความรู้สึกของแม่สมัยใหม่แม่ยุคนิคยุคเทคโนโลยีอันสูงส่งนี่เป็นสัอย่างนี้ แล้วนี้ความเข้าใจของเรามองไม่เห็นคุณค่าของปาฏนาคิดรวบบวชแล้วจะตอบบุญแทนคุณอะไรพ่อบุญคุณนั้นความจริงแล้วมันก็นเน้นกันมาที่ความตอบสนองความปาฏนาของพ่อของแม่เมื่อพ่อแม่ไม่ปาถนาจะให้ลูกบวชอย่างนี้ก็มองไม่เห็นคุณค่าก็แสดงว่าลูกนั้นในเราคุณมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของพ่อของแม่ที่มีความรักต่อลกูกไม่ใช่เพียงสมัยนี้ดอก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 ขึ้นเครื่องบินบิน ด, ด่วนมากรุงเทพมาสกลนครมาหาอตาตมาจะมาบวชอตาตมาถามว่าพ่อแม่อนุ ญ, ญาตหรือยังเขาบอกยังไม่เกี่ยวกันคนเมืองฝรั่งไม่เกี่ยวไม่เหมือนคนไทยเราอตาตมาก็ไม่ให้บวชเก็ม่ให้บวชในแกกร้ อ, รอ ง, อ ง, องห่มร้องไห้อ่อนบอนเชา้าอ่อนอนเย็นให้อตาตมาให้ใส่ชุด ข, ขาวกนพรมแล้วก็สมาทานอเบศฝึกสมาธิภาวนาศึกษาพระธรรมไปก่อน เราขอให้เขียนจดหมายไปหาพ่อหาแม่แต่พ่อแม่อนุญาตและก็บวชได้พ่อวาว่าแกทาไม่ได้แกบอกว่าพ่อแม่ยังไงก็ไม่ยอมเพราะแม่ไม่ได้ถือศาสนาพูดพ่อไม่ได้ถือศาสนาพูดขอบวชเถอะเมืองฝลั่งนั้นก็รับผิดชอบกันเองแต่ดสินใจเองได้แต่มาไม่ยอมควรจะมีเรื่องเีลาก็ให้แกฝึกสมาธิไปต่อมาก็สิบกว่าวันพ่อก็มาตามเพราะพ่อเป็นเศรษฐีนคนรวย ร้องหอมร้องไห้ใส่กันเยื่ที่วัดเราต้องไปไก่เกลี่ต้องไปเทิดไปซ้อนไปอ้อนวอนให้กลับบ้านจ้านี่เป็นอย่างนี้สมัยนี้ก็มีแต่กลาไปใหญ่ท้งสมัยโบราณวันที่ไปเทีกรุงเทพนั่นก็เหมือนกันเมื่อปลายเดือนที่แล้วกลางคืนครูบาอาจารย์ท่านกรเล่นให้มนให้อบรมพระใหม่หน่อยท่านอาจารย์ทรงพบขามาแล้วก็ดีอยากจะให้พระใหม่ใหม่นี่ ที่บวชมาทํากลางสังคมเมืองหลวงจะทํากลางสังคมเมืองนอกลามาบวชมีแต่ปัญญาชนอยากจะให้ได้รู้รสชาติแห่งภาษาศาสนารสชาติแห่งศิลปแห่งธรรมจากพระป่าพระดงนาดามาก็ะกบรมสแสดงธรรมคุณค่าของการบวชบวชเพื่อเรียนรู้เพื่อศึกษาชีวิตอธิบายไปแล้วก็ามาพูดถึงศิลป์ศิขาจิตตสิกข า, ขขาปัญญาศิกขา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 มันมีประโยชน์มากอาจารย์ท่านมาจากสกลนครได้ลองฝึกสมาธิกับท่านดูรู้สึกว่ามันได้ผลในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงก็ไม่อยากจะเสกออกมาแม้ตอนนี้แหละพ่อแม่มาว่ากันเป็นแท้มาถามครูบาอาจารย์กลัวลูกแกไม่เสกอะไรมาเป็นสอย่างนั้นโดยไม่มีความเข้าใจว่าลูกบวช น, นั้นจะเป็นการตอบบุญแทนคุณได้อย่างไรมีความเข้าใจเป็นค่านิยมของคน ในสมัยโบราณเขานิยมบวชแล้วแทนบุญแทนขุนได้ในภาอีสานนี่เขียนไว้ในใบลานเลยอา น, นิสงการบวชแต่เขาไม่ได้เรียกอา น, นิสงการบอกเขาเรียกว่าสอ ง, สองการบวชสองบวชเขียนว่าสองบวชแทนน้ำ น, นมแม่หนังสือแทนน้ำนมแม่เนี่ยมีชกหมู่บ้านทำไมัเรียกว่าแทนน้ำนมแม่ ในหนังสือหนึ่งสองสองการบวชแทนน้านมแม่สองมายากเขาว่าฉันหลงผูดเร็วเข้าเรลยแต่สองแทนน้ํานมแม่คือการบวชแทนน้ํานมเลือดทุกหยดยา จ, จากอกของแม่นั่นน่ะคือมาเป็นน้ํานมกันกองออกมาเลี้ยงเราให้จเจริญเติบโตตั้งแต่เกิดมาแล้วเราจะแทนน้ํานมท่านโดยวิธีใดนั่นพอสมัยโบราณนั้นต้องการที่จะคือให้ลูกได้บวชถ้าลูกบวชแล้วสดใจ อย่างน้อยลูกจะได้ประพฤติปฏิบัติทำรู้จักบาบุญคุณโทษรู้จักคนพ่อคนแม่จาากควมเป็นคนแข็งกระด้างกระโชกหอกหักลายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนุ่มนวลสภาพเรียบร้อยจะเป็นคนเก็เมล็เกเรไม่รู้จักรับผิดชอบช้าหาเย็นเฮกายมาเป็นคนสุขุมลุ่มลึกรู้จักรับผิดชอบต่อการพูดการคิดการทำพ่อแม่ก็สบายใจไม่มีความทุกข์อันใดของพ่อแม่เท่ากับลูกเป็นคนชั่ว ลูกตายจะยังดีกว่ามีความทุกข์ไม่เกินปีหนึ่งค่อยสั่งสาแต่ถ้าลูกมีความชั่วตีบ้านพานเบื้องลักศกตกหอเหล่านี้เข่าโคกเข่ า, ข า, ขาตารางตำรวจไล่ไพ่อแม่เป็นทุกข์อีกแล้วทุกข์แล้วทุกข์อีกตายแล้วตายอีกเพราะลูกเพราะเห็นุนั้นความสุขใจที่สุดก็คือเมื่อหลูกบวชเหลืองๆ อ, อยู่ในวัดคนโบราณ น, นะแต่นี้ก็เหมือนกันบางคนก็กดถือโยกที่ที้ท่านต่างหลายคนคงจะสงสัยต่อไปว่าเอ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 ภุริยาหังกะว่าปัมมัโตอุพโอเทที่กันห้าฮิปันดิโตอัทธาปิสมัญญาทีโรบันดิโตดิปะบุตรจาติผู้เป็นบัณฑิตอย่อมเป็นผู้ฉลาดสามารถถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองด้านคือมองให้เห็นทะลุออกไปทั้งประโยชน์ที่เป็นวัตถุและประโยชน์ทางจิตใจทางนมามธรรมมันจะต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงขงนาดนั้นจึงจะเข้าใจว่าบวชนี่จะแทนว่าคนได้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 ฝึกของมากมาจากของน้อยๆของละเอียดก็มาจากของหยาบๆน้ําลึกก็มาจากน้ําตื้นๆคุณเงื่มความดีแต่ละเล็กทีละเล็กทีละน้อยก็จะสั่งสมไว้ในหัวใจกลายมาเป็นเชื้อใหญ่อย่างในหัวใจกลายมาเป็นอุปนิสัยใจคอขอ ง, ของความเป็นผู้ซื้อสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หนี้ตาปานีบริสุทธิ์ผดออกสดชื่นแจ่มใส เห็นโลกนี้น่าอยู่น่าอาศัยยิ่งขึ้นนั่นคืออันนี้สองทางอ้อม indirect benefit ที่เร่จะเห็นได้ว่าการที่มาวัดเอาข่าวปลาอาหารมาให้ลูกเรากินที่มาบวชนั่นก็เหมือนกับลูกได้ลากพอหลกักไหมเข้ามาสู่สถานภาพอีกอันหนึ่งบรรยากาศชีวิตอีกแบบใหม่ ได้มาทำบุญสุนทรภัณน์ยังไม่พอได้เห็นพระภิกษุสงฆ์องค์สามมาเนรสงบสเงียมแต่ไม่เกิดความสงบใจท่านเกิดความเบิกบานใจเออเหมือนกับเข้ามาโลอกอีกโลกหนึง่งยิงอยู่ในวัดป่าวัดดงสงบระงับพระนมเนน้อยอยู่กันเป็นเอกภาพเห็นแล้วก็น่าเชิญชมอยากจะให้ลูกเราเป็นอย่างนี้ <c oughs> และก็เห็นตัวลูกของเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ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 เป็นสิ่งที่พ่อแม่จะต้องดิ้นหลนขนขวายแสวงหาให้ตั้งแต่เริ่มเกิดมาเสียงร้องให้จ้าของโลกนั้นคือเสียงสตาร์ทเครื่องของฉีิตพ่อแม่ตั้งแต่ข้อโลกแม่ข้อโลกมาได้ยินเสียงร้องให้ก็มั่นใจว่าลูกเราเป็นคนไม่ตายแ น, น่ๆถ้าลูกไม่ร้องให้นี่สิเป็นเรื่องราวใหญ่เลยกลัวจะตายมาจากในท้อง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 พ่อแม่จะรีบประการแรกเมื่อได้ยินเสียงร้องไห้ถ้าอยู่ในเปรนอนแม่จะรีบไกวแขวงเปรหรือพ่ออยู่ใกล้พ่อก็จะรีบไกวเ ป, ปโดยเข้าใจเอาเองว่าลูกคงต้องการให้พ่อแม่ไกวเ ป, ปให้เกิดความสบายให้เกิดความสุขคือพ่อไม่เอาอกออกใจทุกอย่างถ้าหากไกวเ ป, ปแลลูกยังไม่หยุดร้องไห้แสดงว่ายังไม่ถูกใจ ลูกของปาธนาสิ่งเ อ, อิญนอกจากไกวเปยไม่มีทางเลือกพ่อแม่ก็จะประคับประคองอุม้มออกมาจากเปยปากก็พูดพ่ำลำพันทั้งข่ายาวทั้งลกูกทั้งคําพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยทุดหัวลูกดวงตาดวงใจของแม่มีจะ่ถ้อ ย, อยคําดีๆเอาใจต้องการอะไรเอามือคําดูเนื้อดูตัวข้าร้อนก็แสดงว่าลูกเป็นไข้หาอะไรมาแค่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 บางคนยิ่งกว่า น, านั้นลูกโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่เคยขัดใจเลยเ อ, ลอเอาใจตลอดเอาใจตลอดในที่สุดลูกก็เลยได้แตะใจเอาแต่ใจพ่อแม่พูดอะไรนิดอะไรหน่อยขัดใจนิดเดียวแหมนะเป็นทุกข์ที่สุดเลยเพราะถูกเอาใจมาจงเคยชินวันก่อนโยมฟังเทศจบแล้วก็ร้องไห้มาแหมอาจารย์ช่วยที่เธอร้องไห้พูดไม่เป็นศัพ์เป็นภาษา อาตมาก็สงสารร้องไห้ทำไมยอมหยุดก่อนที่พูดกันไม่รู้เรื่องแกก็ยังร้องไห้สะอึกสะอก็บอกเออเอางี้สิหายใจละเอียดยาวๆลึกๆข้าลึกๆออกไม่เกินสามอันที่มันสะอื้นอยู่ีมันก็จะจบแกก็ทํตามทำตามก็สะอื้นก้อนอ่ะมันเป็นจกคอ น, นก็หายไปแล้วแกก็พูดโอ้เอ็ดนอเลอดลูกผูกาัน มันตายไปชีพกว่ามือหรือบอให้ผู้ค่าให้ห้องเอ็ดเนลเลอว่าั่นเป็นพี่น้องชาวโพวไทยอาตอมาก็เลยถามว่าเป็นยังหรือเพิ่งตายผู้คอตายอยู่อัู้คอตายเป็นผู้จบผู้งามแท้เอ็ดเนลเลอร์เอ็ดเป็นเข็นแล้ววัตัวอันสุเนวอันแมบอกให้ไปทอดพระป้าเมืองน้นนําเพิ่นตื้อๆถือเดี๋ยวตอนนั้นลูกผู้คอตายกําลังจบกําลังงามเห็นไหม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 ร้องทุกข์ของลูกเสียงปาธนาแห่งหัวใจของลูกพอ่อแม่จะต้องเดาเอาเองว่าลูกปาธนาอะไรอยากได้อะไรอยากให้ทําอะไรทําจนลูกหยุดร้องให้แสดงว่าถูกใจคําถูกจดพอโตมาพูดได้ยังชั่วหน่อยลูกอยากได้อะไรรีบหาให้ไม่ต้องร้องให้ร้องไห้โตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอยากได้ลูกอยากได้เมียอยากได้ผัว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 แต่การบวชนี้ไม่ได้แบ่งหัวใจให้ลูกให้เมียไม่ได้แบ่งหัวใจให้ใครทั้งนั้นยกหัวใจทุ่มเทไปที่การปฏิบัติธรรมคุณงามความดีเริ่มตั้งแต่การอดทนทางกายทางวาจาสงบใส่เงียบโดยการเป็นผู้มีสิ่งต่อมาขณะการก็เฟิกจิตให้หยุดใต้อำนาจให้มันสะอาดสว่างสงบด้วยสมาธิภาวนา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 ครูบาอาจารย์ก็สอนว่าอาดีตผ่านไปแล้วปล่อยมันไปอย่าหลงเข้าไปในโลกแห่งอดีตแล้วก็อย่าหลงทะเยอทะาอยานไปสู่โลกของอนาคตจงอยู่กับโลกแห่งปัจจุปันนันจะโยเทเทมังตตะวิปัสสติเห็นสภาวะธรรมสภาพแห่งจิตใจใ น, นขณะปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรคิดถึงเรื่องราวอาดีตเป็นทุกข์ ว่าเราได้ทำไม่ดีไม่งามครูบาอาจารย์ท่างก็ะร้อยซ้อนประคับประคองว่าเอออย่าไปเป็นทุกข์แต่มันให้อภัยมันไปไม่มีใครเป็นพระอรหันต์มาตั้งแต่ในท้องย่ำได้ผ่านความชั่วกันตั้งพระโมคัลาพระสารีบุตรพระองคุลิมานนางคุณทนเกษีนางปตานจาระเราจะเห็นได้ในทูเรนิธานในชาดกต่างๆท่านเหล่านี้ก็เคยทาชั่ว นางพิศนีบางคนเป็นพระ อ, อรหันต์ก่อนนั่นได้ฆ่าผัวตัวตัวเองอย่างนี้เราเองได้ล่วงล้ำกรรเกินคุณพ่อคุณแม่มาแล้วในอดีตผิดมากแต่บัดนี้เราจะไม่ทำอีกสำนึกทําใจที่มันเศร้าหมองเพราะอารมณ์ในอดีตนั้นให้มันบริสให้มันสงบแล้วก็เพ่งลึกลงไปถึงความเป็นจริงเรียกว่าพัฒนาจิตแล้วก็สู่การพัฒนาปัญญา มันก็จะมีความถูกต้องทางกายวาจามีความถูกต้องทางใจมีความถูกต้องทางสติปัญญาไม่ใช่หลงเข้าไปในความรู้บัตรนี้จะรู้ในสิ่งที่เราหลงหลังจากนั้นจึงจะรู้ความจริงในความรู้อีกถอนตนเองออกมารู้จักคุณค่าของศาสนารู้จักคุณค่าของการบวชของศีลของธรรมแลวเราก็จะเห็นชัดเจนว่าเออพ่อแม่เอาใจเรามาตาลอด แต่สิ่งที่ท่านปาถนานั้นเราน่าจะเอาใจท่านั้งการเอาใจท่านนั้นแหละให้ท่านมีความสุขเป็นการตอบแทนบุญคุณบุญคุณที่ท่านสร้างไว้กับเราอย่างใหญ่หลวงคือท่านได้เอาใจเรามาตลอดตั้งแต่เสียงร้องไห้อันดับแรกจนหยุดเสียงร้องไห้ครั้งสุดท้ายลูกใหญ่จเจริญเติบโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวหมดเสียงร้องไห้แล้วพูกันด้วยภาษาคนรู้พ่อแม่ก็ยังเอาใจมาตลอด บัตรนี้ท่านต้องการให้เราเอาใจท่านบ้างคือให้ปวดเพื่อจะได้รู้จักคนฆ่าของบุญคุณพ่อแม่คนโบรนาณลูกร้องไห้เป็นทุกสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำ ป, ป่าแม่สมัยก่อนต้องตักน้ำต้องตำข้าวต้องป่าพื้นตำข้าวโดวยคกมองคบ ก, กาเดืองอุ้มลูกฮาบ ของใส่บาอุ้มลูกใส่เอลไปไร่ไปนาทุกยากลำบากแท้ๆยามลูกร้องไห้แม่ทุกยากลำบากไ ก, กลกไลูกให้นอนกลมลูกด้วยบทเพลงฝากความหวังเอาไว้อือ อ, อ, อ, อนอนสลารับตาแมสิอม คำเพลงแม่นี่เอ้ยคำเพลงแม่นี่เอ้ยแม่ไปให้เสียไข่มาฮาพ่อไปนาเสียฟ้ามาป้อนแม่เลียงมอนเขาป่าสวนมอนเด้อก้อนซ้ อ, ม อ, ม อ, อนมันลุกมันตื่น ลูกน้อยหายง้มไตกระบองออออสียังท่อมๆขีเยียวใาแม่เสียงลูกน้อยเม่นมันยากามันซาพ่อ อ, อ, อยาก้าลูกผัวไปบวช สางผนวดไม่สาธนาเจ้าง่มากให้เจ้าไปหวยขันเป็นท้ายให้เจ้าไปบวชดนอ่อนทั้งศีลในธรรมในจำนำคุณพ่อคุณแม่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 แสดงออกถึงชีวิตแห่งกเกษตรกรรมพอไปให้เสียเอาไข่มาหาแม่ไปนหน้าเอาป่ามาป้อนแสดงว่าชีวิตโผูกพันอยู่กับไรนาสาโถเลี้ยงลูกด้วยความลำบากแม่เลี้ยงหมอนเข่าป่าสวนม่อนเดิกอ่อนซ่อนมันลกุกมันตืน่นลูกหน่อยให้งอมแต่กระ บ, บองเสียงท่มๆขี่เหนียวใส่แม่ในช่วงนี้แม่ก็บ่งบอกข้งหน้าที่รับผิดชอบ การหาอาหารมาเลี้ยงตนเองเลี้ยงลกูกการหาเครื่องนุ่งหม่มพ่อแม่ต้องต้องปโปะฝ้ายต้องปลูกหม่อนเลี้ยงไหมต้องปั่นได้ต้องเข็นฟ้ายต่ำหุสมัยก่อนมันไม่เยร์ริ่ไม่มีโรงงานเทปกายโรงงานผอผ้าต้องทำเองมั้งหลังจากนั้นลูกร้องไห้กลางคื น, นไม่มีไฟฟ้าใต้ยกระเบองที่ราดเยี่ยวรถพ่อแม่ดึกดเดือเดือนเดือนหนา ว, นาว ลูกหน่อยหายงอมแตกระ บ, บองเสียงท่อมๆขี่เงียใสซแม่นี่คือสภาพแห่งชีวิตที่แท้จริงในสมัยโบราณหลัง่างนั้นพ่อแม่ก็รันทดน้อยใจในโชคกวาฒนาที่เกิดมาอาภัพลำบากแต่ก็เต็มใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยความทุกข์ยากเรียงลูกหน่อยมันมันยากมันซาพ่ออยากป๋าลูกพัวไปบวชสัางผนวดไม่ศัตนา ลำพึงลำพันสะท้อนออกมาเป็นกระจกเงาของอดีตให้ลูกได้จดจำลำลึกเอาไปคิดเมื่อเจริญเติบโต ว, ว่าแม่หนีลำบากในการเลี้ยงลูกอยากจะทิ้งลูกไปบวชให้มันสบายใจในพระศาสนาแต่แม่แต่พ่อทำไม่ได้เพราะเป็นห่วงลูกต้องเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตวความหวังของพ่อของแม่ก็เลยระดมทุ่มเทไปที่ลูกวเจ้างมาให้เจ้าไปไหวหมายถึงความเป็นผู้หญิง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 สำนักครูบาอาจารย์จะได้ฟังท่านจะรู้จักอายชั่วปิดประตูอบายไม่ทําชั่วกูวัวบาปสร้างคุณงามความดีเปิดประตูแห่งสวงสวรรค์พันจะได้พาทํำสมาธิภาวนาอบรมบ่มนิสัยจิตใจสงบลํำงับอย่างเข้าสู่ธรรมลินัยคือความดับลงแห่งความทุกข์ตัณหาอุ ป, ปาทานไปสู่พระนิพพาน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 นี่จะสอนว่าให้บวชอย่างเกงก็ให้มาเรียนนักธรรมตีโทเอกมาเป็นมหาหลังจากนั้นก็เข้ามหาวิทยาลัยสงสองแห่งมหามกุฎมหาจุฬาบุญนําบาวัดาสนาส่งจบปริญญาศึกมามีงานทําจบแค่นั้นไม่ได้พูดเลยไปกว่า น, นั้นว่าเออจบปริญญาทางทำทางศาสนามาอบรมสินอบรมจิตอบรมปัญญาให้ดีเป็นที่เพึ่อพาอาศัยแกเพื่อนรวมทุกเกิดแกเจ็บตายเสื่อมอดอายุประศาสนาโอ้ย ไม่ได้พูดอย่างนั้นคนโบราณแม้แต่จะตรวจน้ำลงในแผ่นดินก็พูดพวกขาหยาดน้ำไม่หอมโพดสีขอไข่มีบุญหลายก็ให้มีความสุขเรื่องค้ น, คนทางขายเดือนดาวฝ่าฝนล่มพร้อม พ, อมพอมกนคำโยฝ่าพ้องขาทรงไปขอให้ได้ลกูกแก้วโพวประเสริฐบนนี่มีจะคุ้นความดีบวชเป็นเงาขู่เจา้ามีละ ใหญ่กว่างคนทั้งหลายได้ไพ่พงอาลามหลวงใหญ่กว่างเลื่อล่ำทั่วแดนป่าตนาให้ลูกได้บวชเป็นวกมีบุญมีคุณวัดวาอารามใหญ่โตคนทั้งหลายได้พึ่งพาอาศัยนู้นคนบราณของเราแต่เดี๋ยนี้ประชุมกันพระสงฆ์องค์จาก็าไม่ได้ผโผโอ้แต่เรื่องเรียนน่ะกะจบบุญนำพาวัดตนะทรงจบปริญญาศึกมามีงานทำจบเท่านั้นน่าสงสารเหลือเกิน แล้วก็เลยไม่ค่อยเข้าใจกันโยมก็ยิ่งไม่เข้าใจใหญ่ ย, ยิ่งก็อยากจะให้ลูกบวชพอจิมดูทักห้าวันสิบวันสิบห้าวันสามเดือนอย่างเก่งสามเดือนนี่ก็ยังดีนะสิบห้าวันก็ยังดีเป็นการสืบทอด พ, พระศาสนาบวชมาแล้วได้ฝึกได้อบรมนี่มันจะตอบบนแทนคนได้เป็นการเอาใจพ่อแม่แต่นี่ลูกดมกลงดมกาวเต็มบ้านเต็มเมืองพ่อแม่คงไม่ได้กล่อมให้ลูก เจ e ้าเ่มากให้เจ้าไปบวชได้หนในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึนสวรรค์ สมัยนี้ถ้าจะก่อมใหม่เจ้าเนี่ยมะให้เจ้าดมกาวไ่เป็นเบาไปเสือกาวมาดมอย่างนี้ลรกสาวก็ไม่ทราบอาธนาก็ยังคิดอยู่ไม่ได้มาจากไหนแต่ก่อนยังไม่เคยเห็นมีใครดมกาวเดี๋ยวนี้ไปไหนเห็นแต่กับฟองกาวรัฐบาลออกกฎหมายมาจับได้แล้ว ใ, ใจเไ็นได้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 สููมาก็ยังให้พ่อแม่ได้มีโอกาสได้สร้างฐานะบา ร, รมีศีสละเวลาให้เวลาเป็นทานให้อาหารเป็นทานมาวัดมาวาลูกเราอยู่ตรงนี้นี่ได้สร้างฐานะบา ร, รมีสร้างสมอบรมใสปัจจัย ใ, จให้แก่ท่านใน ไ, ไก่วัดไกว่วาในวันพระท่านอาจจะมาจําศีลสั่งสมศีระบา ร, รมีขึ้นยิ่งไปกว่านั้นท่านอาจจะได้ฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์เช้าคำ่ำ หรืออย่างน้อยวันพระหนึ่งครั้งหนึ่งในที่สุกศะสมปัญญาปรมีรู้จักอายชั่วกลัวบาปปิดประตูอาบายซะเลยนี่เทนี้อิ่งลึกลงมาอกีกบางท่านยิ่งกว่านั้นไม่มีใครเลี้ยงโดอยากจะให้โลกบวชไม่มีใครเลี้ยงโดบางท่านไม่อย่างนั้นโลกบวชแล้วปฏิบัติธรรมไปอยากศึกสงสารทุกข์ยากลําบากอยากจะไปช่วยท่าน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 มีเรื่องเล่าไว้ในพระไตรปิฎกในมหานิบาตอ่าบุพการิยาของพระพุทธเจา้าในเรื่องสุวรรณสามนันท่านปรลบเหตุพิสุองค์หนึ่งอยากสึกไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ท่านก็เลยถามเรื่องของเรื่องเล่าไว้เอาไว้ว่าพิกษุองค์หนึ่งในเมืองสาวัตถีเป็นลูกเศรษฐีมีทรัพย์ร้อยแปดสิบกอ วันหนึ่งได้ฟังเทศของพุทธจาจ้าแล้วเกิดเริ่มใสยอยากจะบวชอย่างยิ่งก็เลยมาขอลาพ่อแม่พ่อแม่ไม่ยอมให้บวชลูกเอ้ยลูกเป็นดวงตาเป็นหัวใจพ่อแม่มีเจ้าคนเดียวอยู่กับเจ้าถ้าเจ้าแม่ตายพ่อแม่ไม่ยอมให้เจ้าพัดภาคไปดองอย่าบวชเลยลูกเอ้ยอยากจะทําบุญทําทานเท่าไหร่ทําไปเธอเอาบุญพ่อแม่มีเจ้าเท่านั้นแต่ลูกนั้นไม่เป็นอย่างนั้นพอได้ฟังเทศอ น, นิส ง, งษษสาา์แห่งการบวชที่พระสาวดาภรณนาคุณค่าแห่งการบวชก็อยากบวช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 ลูกดีใจลูกขึ้นอาบน้ําอาบผ้ากาบเ้าพ่อแม่ก็เข้าสุวัดครั้งแรกไปขอบวชแล้วพระเจ้าแม่ให้บวชเพราะว่าพ่อแม่ยังไม่ยอมไม่ว่าก็ปวดบวชอยู่กับพระเจ้ากับพระ อ, อุปชาห้าปีจบจากนั้นไปทําความเพียรอยู่ในป่าปัญจตาประเทศชายแดนอีกสิบฟองปียังไม่บรรลุธรรม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 คิดเกตปีที่ลูกบวชไปพ่อแม่หมดเนื้อหมดตัววันหนึ่งพระภิกษุหน่มทําความเพียรอยู่ในป่า น, นั้นได้มีพระเทสะเดินทางมาจากเมืองสาวัตถีก็เลยได้ถามว่าท่านมาจากไหนมาจากสาวัตถีก็เลยถามว่าพระสาวาดาพิกษุสาวกทั้งหลายยังอยู่เย็นเป็นสุขอยู่แลหรือผมจากมาสิบสองปีแลพูดโดยความเร็วสูงเวลามันจะหมดพระว่าเออพระศาวตาดาพระสาวกทั้งหลายอัสษาพวกหมอกอลาสาเลยพูดยังอยู่เย็นเป็นสุข และท่านอยู่สาวสถีท่านรู้จักตระกูลโพวาภิไหมท่านอยู่เย็นเป็นสูกันไหมเศรษฐีนั่นท่านก็เลยบอกว่าท่านอย่าถามหาตระกูลนี้ได้ไหมทำไมล่ะขอให้เล่าให้ผมฟังท่านรู้จักไม่รู้จักตระกูลนี้มีลูกชายคนเดียวลูกชายออกบวชพ่อแม่เป็นเศรษฐีไม่มีใครดูแลสิ่งของเดี๋ยวนี้ยากจนเขาลักเขาขโมยเขาเอาไปหมดเดี๋ยวนี้สองพวเมีย พากันขอทานตามตอกซอกซอยผมไปบินธบารตอนเช้าบางวันก็เห็นขอทานอยู่ซอยหนึ่งวันหนึ่งเห็นอยู่ซอยหนึ่งพระภิกษุหนุ่มได้ฟังดังนั้นไม่สามารถที่จะกลั้นน้าตาไว้ได้ร้องไห้โฮออกมาโอ้พ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยทุกข์ยากลําบากพ่ะลูกแท้ๆจนต้องเป็นคนขอทานแต่คุณท่านหาเสื้อผ้าใส่ไม่มีแล้วท่านอย่าถามหาเลยทิกษุอดนี้ท่านร้องไห้ใหญ่เลยแล้วก็เลยถามว่า น, นี่ท่านร้องไห้ทําไม ที่สุดนี้ก็เลยบอกแก่พระเถระว่าที่ท่านเล่าให้ฟังเสพนนั้นคือพ่อคือแม่ของผมผมนี่แหละคือลูกชายของท่านผมจะลาศึกล้วครับในวันนั้นลุ่งขึ้นท่านก็เลยมอบวัดที่ท่านอยู่มาสิบสองปีให้แก่พระเถระผมจะเดินทางกลับสาวัตถีเป็นลาพระสาสดาศึกไปทํางานทําการเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่ของผมผมทาไม่ท่านทุกข์ยากลําบากถึงขนาดนี้ว่าแล้วท่านก็ลาพระเถระเดินทางกลับพระเถระก็บอกสอง่งเออไปเจอคุณ ศึกไปเลยผมสงสารเหลือเกินสมเพเอตนาครอบครัวสองตายายทุกอย่างเหลือเกินเสื้อผ้ากอคาถาทานเอาเขาทิ้งตามถังขยะเอามาโน้มมาหม่มท่านก็นยิ่งเพิ่มความทุกข์ร้องห่มร้องไห้ใหญ่เลยในที่สุดพระพิสุนุมก็เดินทางกลับถึงเมืองสาวัตถีไปสาวัตถีจะไปหาพ่อหาแม่ก็คิดถึงพระพุทธเจ้าไปกราบไปไหว้ทันตะก่อนเราก็จะได้ไปอยู่กับพ่อกับแม่แล้วพระพุทธเจ้ากว่าจะเกิดขึ้นในโลกเป็นหมืนม่นหมื่นปี ได้ไปฟังธรรมครั้งสุดท้ายขอลาศึกกไปหาพุทธเจ้าพุทธเจ้าหังกะฟังแล้วเข้าใจเอามือลูบหัวโอ้โหลูกเอ้ยอย่าศึกไปเลยฮีนวัดตังเวียนสสเพศอันต่ำการบวชนี่เป็นอุดมเพศเอาเธอเธอจงไปบินทาบาทเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เราอนุญาตพิสุนั้นดีใจมากน้ำตาไหลาแลวไปบินทาบาตในเมืองได้เข้าต่มไปจากโรงครัว ไปหาพ่อหาแม่ไปที่บ้านก็จําไม่ได้ไม่มีใครอยู่เดินไปเดินไปก็เห็นพ่อและแม่สองคนนั่งโยบในซอยถ่า<ม>ก็ไปยืนดูเอ้ใ่พ่อใจแม่เราไหมทําไ ม, ไมพร้อมเหลือเกินทําไมเสื้อผ้าสกรปรกมอมแม่โยมานด่าผู้เป็นแมน่ี่ลุกขึ้นก็บอกว่านิมนต์พระคุณเจ้าไปปอบข้างหน้าเถิดพวกฉันไม่มีอะไรจะใส่บาตรให้ท่านดอกพวกฉันทุกยากที่อื่นเถิดท่านก็ยังยืนอยู่ โยมพ่อโยมแม่ก็คิดว่าพระมาบินท่บาตธรรมดามายืนรอให้ใส่บาตรตั้งก็ลุกขึ้นผู้ว่านิมนต์ไปโปรดข้างหน้าเธอไปรับทางอื่นเธอที่นี่ไม่มีใส่ให้เราทุกยากลำบากพี่สุนุมจำเสียงผู้เป็นมารดาได้ก็เดินเข้าไปส่วนผู้เป็นพ่อก็บอกว่าไม่ใช่ลูกชายเราหรือจึงมายืนอยู่นานๆก็ลุกมาดูสองคนพอมาเห็นกันทั้งสามพ่อแม่ลูกก็ร้องไห้ใส่กันแม่เอยพ่อเอยทุกยากเหลือเกินเนาะ พ่อแม่ก็ดีใจร้องไห้ทั้งดีใจได้เห็นลูกข้อแม่ไม่ต้องเป็นทุกข์แบบนี้ต่อไปลูกจะเลี้ยงโดก็เลยเอาข้าวในบาศเอาอาหารมาให้กินพ่อแม่ได้กินหลังจากนั้นพิกษุหนมนี้ไปได้ผ่าบางสกุลใครถวายผ่าขาวมาท่านเกาะเอามาเย็บด้วยมือของท่านเป็นกางเกงเป็นผ้าทุ่งเอามาให้พ่อให้แม่ใสบินท บ, บานมาให้พ่อแม่กินจนตนเองพร้อมลงพร้อมลงเพราะบางวันใดน้อยพ่อแม่กินหมดตนเองไม่ได้กินบางวันเหลือน้อยไม่อิน ท่านก็พร้อมลงพร้อมลง พ, ลงพิสูจทั้งหลายก็ถามว่าทําไมท่านจึงพร้อมจึงเหลืองอย่างนี้ท่านก็บอกว่าแต่ก่อนผมอยู่ในป่าผมอ้อนวนพ้นสมบูรณ์เรื่องนี้ผมต้องบินทบาตเหลืองพ่อเหลืองแม่สองคนเมื่อเหลือจากพ่อจากแม่จึงได้กินมันจึงพร้อมลงพร้อมล ง, มลงเป็นโลคขาดอาหารพระองนี้ก็เลยโจกการกันใหญ่เลยว่าท่านทําผิดซะแล้วบินธบาตมาเอาไปให้คนอื่นกินเป็นการเหยียบย่ําทําลายน้ําใจทําลายของทางคนอื่นเป็นอาบัตพระพุทธเจ้าท่านตีตินว่าแล้วก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้า พิสูจํานวนมาพุทธเจ้าก็ให้เรียกมาพอเรียกมาแล้วก็ถามก็เป็นความจริงแล้วพุทธเจ้ายังยกมือขึ้นสาธุสาธุสา ธ, สา ธ, สาธุดีแล้วดีแล้วลูกเอ้ยเธอได้ดําเนินตามเส้นทางอันเดียวกับเราเธอได้ดําลงอยู่ในจริยวัดอันเดียวกับเราเนี้เราเองก็เคยทําอย่างนี้มาแล้วเรานั้นสมัยก่อนเป็นสุวรรณสาม พ่อแม่เราสองคนตาบอดเราหาพ่อแม่ใ่ตะก้าไปเลี้ยงอยู่ในป่าเราเองก็เป็นดาบดด้วยพ่อแม่อยากอาบน้ำเราก็หาใส่บาไปอาบน้ำเธอก็ได้ทำอย่างเดียวกับเราเป็นการดำเนินเส้นทางเดียวกันกับเราสาธุภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เธอทั้งหลายผู้ไม่มีใครเลี้ยงดูพ่อแม่ดีก็จะศึกออกไปเธอจงบินถบาดมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เธอใครจะดหนิติเตียนทั้งโลกเธอก็จงยอม ยอม ส, สีสละศักดิ์ศรีให้เขาด่าให้เขาดูโถว่าไม่มีทางเลี้ยงเธอทําได้อย่างนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีใจสงเดี๋ยวนี้เรากลัวชาวบ้านจะนินทาไอ้ความกลัวว่าจะนินทานั้นคือความเห็นแก่ตัวเราว่าเราไม่มีค่าไม่มีศักดิ์ศรีอาตามาเนี่ยคิดว่าผัวเด็ดไปดินขาดไม่มีกินจะดินถบาทเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อจ้างก็ไม่เป็นศึกมันออกไปดอกไม่มีไม่รู้จะไปดินถบาทเมืองนอกเมืองฝรัง่งนู่น เพราะมีความรักเหลือเกินในการบวชนี่พระพุทธาาเจ้ากล่าวว่าอปีเจปนมาทายาณนาคาโรโอปริปเชอันยังวิหิงสยังโลเกอปิรักเทนะตังวารังนี้จะบวชเที่ยวขอทานอุ่มบาดินขอทานเขากินเลี้ยงชีพใ่เบียนเบียนผู้ใดชีวิตอย่างนี้ประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาในโลกนประเสริฐจริงๆเพราเหตุ น, นั้นการบวชนี้ยังแทนคุณทางวัตถุก็ได้อีกด้วยนะมี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 แล้วก็มั่งมีซีสุกเอาเงินชาวบ้านที่ถวายมายังไม่พอเอาไปเอามาตัวเองก็เสร็จไปอยู่บ้านหลังนั่นนะเมียมานอนน้ำมันเป็นซะอย่างนั้นพื่ถึงตรงนี้นึกถึงพระโควิสุธทธิญาณสนทรท่านอยู่ที่วัดประทุมวนารามกรุงเทพท่านองค์นี้สร้างโรงพยาบาลไม่รู้กี่หลงญาติโยมมีความศรัทธาท่านมากเลยในกรุงเทพนี่ไม่รู้กี่ล้านมาสะวันหนึ่งท่านนิมนต์อาตมา ไปเทศไปฉันที่บ้านพอ่อบ้านแม่ของท่าน ท, ที่ที่หมู่บ้านน้อยๆเนี่ยเผื่อบ้านหนอกนึกว่าท่านบ้านพอ่อบ้านแม่ของท่านคงจะหลังแก่โตโอ้ยหลังน้อยๆสัมสอดอยู่ยังงี้ก็ยังงั้นนี่แสดงว่าสิ่งที่ท่านโยมศรัทธาบริจาคอะไรมาท่านทําประโยชน์ส่วนลัวโมดพ่อแม่ของท่านพออยู่ได้ท่านก็ปล่อยอยู่ไปกับลูกกับเดานคนอื่นส่วนพ่อแม่ก็มีความสุขใจ ส บ, บายใจที่ลูกได้บวชได้สร้างกุณงามความดีไม่ต้องการอะไรมากไปกว่า น, นี้ไม่น้่งไปกว่านั้นในเนื้อในตัวของพระคงวิสุทธ์นั้นก็คือ